น่ากลัวมากศีลเป็นหลักของชีวิตศีลเป็นสิ่งควบคุมความประพฤติ 2020. ใครที่ไม่เห็นค่าของศีล ja, แล้วน่าสงสารมากการพัฒนาจิตเป็นเรื่องละเอียดต้องทำกันเป็นขั้นตอนไม่ใช่อ่านหนังสืออะไรมานิดๆหน่อยๆแล้วก็มาทำตามกันง่ายๆแล้วคนเราก็มีพื้นฐานของกรรมที่ทำให้เกิดมาแตกต่างกันอีกน่าเป็นคนเหมือนกัน